อาภีพวะธนสีลิสนิจยังวุทฒาปจายิโนจัตตาโรโอธรรมมาวทาติอายุวันโนสุขังภาลังเพราะว่ตูสัพภะมังคลังราขันตุสัพพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัพธรรมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะ